มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาจะตุทธวักปัญจายตนะกรร ม, มะนิพัตตะปัญหาที่สาม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 กาเมสุมิชาจาร์มูสาวาตสุราเมไรทั้งห้าประการชนี้คงจะให้ผลถ้าบุคคลรักษาศีลก็จะให้ไปเสวยสมบัติสุขในสุขคติถ้ากระทําปัญจะพิธเวนห้าประการคือปานาติบาตเป็นต้นก็จะได้ไปสู่ทุกคติจตุราบายขอสัตบุรุษทั้งหลาย